เราไม่ค่อยได้เล่าปฏิปทาประจำวันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นใ ห, ห้เพื่อนฟังพูดก็พูดไปเป็นระยะระยะไปเสียไม่ได้ค่อยได้พูดงานประจำวันของท่าน ตามปกติท่านชอบความสงัดอยู่ตลอดเวลานี่คือนิสัยของท่านไม่ชอบวุ่นวายกับแก่คนพระเนน์อยู่คนเดียวท่านนั่นเป็นที่เหมาะสำหรับท่านจะรับพระเนนบ้างก่อนตอนบ่ายเล็กๆน้อยๆ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 จากนั้นท่านคนนั่งสมาธิภาวนาแล้วค่อยนอนมีหมายถึงวัยแก่ของท่านวัยที่ท่านแก่แล้วเท <c oughs> ่าที่เราสืบทราบแต่ก่อนนั้น <c oughs> ท่านไม่มีเวลาเวลาในการประกอบความภาคเพียรท่านทำได้ทั้งทุกเวลา ก็ท่านไม่สนใจกับงานอื่นใดยิ่งนอกไปจากงานจิตตะภาวนาเท่านั้นยิ่งไปอยู่ในป่าในเขาด้วยแล้วมีแต่งานอันเดียวคืองานจิตตะภาวนาเท่านั้นตอนหนุ่มท่านขยันขันแข็งจริงๆเอาจิน เ, เอาจังเด็ดเดี่ยวอาถรรพมาก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 พอออกจากที่แล้วตอนเช้าลงจากพุติแล้วก็เข้าทางจงกรมเดินจงกรมก่อนบินทบาักซึ่งกระทั่งได้เวลาแล้วถึงจะออกจากทางจงกรมแล้วก็ขึ้นสาลาคลองผ้าบรรดาพระเนนในวัด พอได้เวลาแล้วต่างองค์ต่างนำบริขารของตนมาตัดกวาดเช็ดถูสลาซึ่งก็ไม่ใหญ่โตนักเพราะพระไม่ค่อยมากเสร็จแล้วต่างองค์ก็ลงกระเดินจงกรมเหมือนกันกับท่านจนกระทั่งได้เวลาท่านขึ้นมา ค้องผ้าพระเนรก็กลองผ้าก็เดินบินทบาทตอนที่เราไปอยู่หมู่บ้านก็ไม่ห่างไกลนักเพราะฉะนั้นการมินทบาทจึงมีสายบ้างใช้สายค่อยไปเพราะไม่ไกลนักบ้านโคกก็ดีบ้านนามนก็ดีน้องผือก็ดีแม่บ้านนาสิ้นวนก็เหมือนกัน ไม่ห่างไกลเพราะฉะนั้นสายทิ้งไปบินกบะตะก่อนไปท่านเดินจงกรมจะก่อนนี้เป็นประจำของท่านประหนึ่งว่าไม่ขาดเลยเรายังไม่เห็นว่าวันท่านขาดวันไหนการเดินจงกมตอนเช้าก่อนบินกบาตะเพราะไม่มีงานใดไปยุ่งท่าน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 เป็นอารมณ์กับเรื่องอาหารการขกขันมีอะไรก็ตามบ้านป่าบ้านโลกเขาให้มาใส่บาตรมาส่วนมากเขาใส่บาตรมาพร้อมไม่ได้ตามมาส่งมีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วนาบริการไปดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้ องท่านเงเง้าไปกุฏิที่พักเพราะตอนหลังนี้ท่านแก่แล้วท่านไม่ค่อยเดินจงกรมหลังจังหันแล้ว น, นานๆจะมีทีหนึง่งแต่ตอนบ่ายมักจะมีอยู่เสมอ ต, ตอนเย็นนี้มีเป็นประจำพอห้าโมงเย็นหรือห้าโมงกว่าแล้วท่านก็ลงเดินจงกรม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 ตอนเช้าก็ร่วมชั่วโมงเหมือนกันก่อนจะไปบินทบาทนี่เป็นกิจประจำวันหรับพระเนพรพอฉันเสร็จแล้วนำบริฐานไปไว้ที่ไว้ฐานของตนแล้วก็เข้าป่าเข้าทางยังกรมของใครอยู่ที่ไหนก็เข้าพระมีจำนวนมากๆประหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยเงียบไปหมด นี่ก็เช่นเดียวกับขังพุท ธ, ธาการที่ท่านบำเพ็ญเป็นอย่างนั้น <c oughs> ในตำรับตำรามีมากต่อมากอย่างนนั้เพราะฉะนั้นเราจึงหนึน่งนำมาพูดมาแสดงให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ได้ถ้านี้มีจำนวนมากมายเท่าไหาร่เป็นหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยจนถึงเก่าเขากับ เข้าใจผิดว่าพระเนนในวัดนี้ทะเลาะกันเงียบไปหมดทั้งวัดถ้ามาเจอพระก็เข่งขึงไม่เห็นพูดเห็นคุยกันหลยก็ทำให้เขาเข้าใจผิดไปว่าพระทะเลาะกันเวลาสืบสอบถามเหตุผลนิดน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรว่าพระท่านก็ชี้แจงให้ทราบว่า ท่านประาความเพียรอยู่ในป่านู้นป่านู้นตามสถานที่ของตนของตนที่เห็นว่าเหมาะสมนีม่แหละเรื่องประวัติในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นระดับหลวงพ่อแม่ผรู้าจารย์มั่นของเราก็เป็นอย่างนั้นท่านไม่ไม่ก็จะให้กิจการงานใดๆเข้ามายุ่งท่านไม่ตาลบถึงเรื่องการเรื่องงานอะไรนอกจากด้านจิตะภาวนาโดยถาเดียวเท่านั้น นี่เป็นเนื้อเป็นหลังเป็นจิตเป็นใจเป็นนิสัยของท่านที่ฝังอย่างลึกเป็นพื้นฐานสำคัญของพระปฏิบัติจึงไม่ผิดอะไรกับขั้งพุทธการที่ท่านดาเนินตามตามหักตำลามีอย่างนั้นเวลาประชุมก็บางที่ประชุมนในหลายวันประชุมทีแต่ถ้ามีแต่พระเนนอยู่ในนั้นไม่น่าประชุมท่านก็ไม่ประชุม ทำมีพระไปเที่ยวมาอย่างนั้นท่านมักจะประชุมพูดธรรมะมีปฏิปทาของท่านท่านหนักแน่นทางด้านปฏิบัติมากไม่พูดถึงเรื่องการก่อนั่นสร้างนี้ทํานั้นนี้ไม่พูดเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องความภาคเพียรเพื่อชําระจิตใจ จะพูดธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นจะพูดจริงพูดจังก็เป็นไปตามความเปลี่ยนทางด้านจิตใจเสียทั้งนั้นนี่เป็นนิสัยของท่านแล้วความอยากให้พระที่มาอยู่อาศัยท่านไม่รู้ได้เห็นใน้ทำทั้งหลายนี้ก็รู้สึกว่าเด่นมากทีเดียวองค์ใดที่ภาวนามีความเป็นไปอย่างไรแล้วท่านจะติดตามเสมอ ถ้ามายินมาพูดท่านฟังท่านจะถามไปยังไงภาวนานะไปถึงไหนแล้วนั่นะนะเรียกว่าท่านติดตามองนั้นก็กราบเรียนขึ้นตามเรื่องของคนแล้วก็ท่านก็ชี้แจงจแสดงให้ฟังนี่เป็นนิสัยของท่านซึ่งไม่ผิดอะไรกับข้างพุตธกาลเลยในตหลับตาราที่ท่านแสดงไว้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 ทางด้านกิจตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วงานของท่านในเวลาเป็นหนุ่ม ง, งานความภาคเปลี่นนี้เด็ดเดี่ยวอาจหานมากก็สมกับท่านเป็นผู้ฉลาดไช้อุบายหลายสันหลายคมสงหลักที่จะแก้กี่เลสหรือมีวิธีการต่างๆที่จะนำมาใช้ด้วยความคิดความขุดค้นของท่านเองนั่นแหละท่านนำมาใช้ นี่เล่าเรื่องปฏิปทาของท่านเพียงยอดๆให้เพื่อนฟูงหลายฟังการที่ท่านเดินโยมกลมนั่งสม า, สมาธิภาวนาก็เพื่อความสะดวกสบายของท่านระหว่างขันกับจิตเพราะเรื่องของกิเลสนั้นเราไม่มีปัญหาอะไรกับท่านแล้วเพราะทราบมานานแล้วว่าท่านผ่านแปตั้งแต่เมื่อไหร่การทําอย่างนั้น เป็นตามอัจฉริยะใของใจที่ไม่ได้เกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าอยู่ก็อยู่ได้อาจด้วยธรรมแต่ไม่ติดธรรมเป็นอัยาศัยที่รื่นเริงถ้าจะพูดว่ารื่นเริงรื่นเริงในธรรมทั้งหลายด้วยความภาคเพียร น, นี้ท่านจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมธรรมที่บำเพ็ญหรืที่เครื่องอยู่สบายในในปัจจุบัน ทิฏตธรรมวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระอรหันต์ท่านท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่กับความภาคความเพียรเพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมท่านจึงมงนั่งสมาธิภาวนาท่านจึงมงแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงละทรงดำเนินตามพระอัจฉยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งปรณิพาน ถ้าสาวกทั้งหลายกลุ่มือนกันการประกอบความภาคเปลีน่นดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้เรื่องการเดินจง ก, กรมนอกสมาธิภาวนาทบาง ท, ท่านมาโดยทําเพื่อแก้เพื่อตัดถอนกิเลสอันใดแต่หากเป็นความพอเหมาะพอดีระหว่างขันกับจิตที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในเวลานั้นนอกจากานั้นยังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงต่อขันอีกด้วยเพื่อให้สดชื่นเพราะอำนาจแห่ง จ, จิตใจ ได้พักทั้งธาตุทั้งขันด้วยก็เป็นความเหมาะสมกันจริงเหล่านี้ถ้าไม่เป็นในจิตจะนำออกมาพูดก็ไม่ได้ถูกทุกท้อยทุกคําผิดถูกถูกแต่ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามใครหากรู้ในเจ้าตัวเองว่าทำไมท่านจริงเดินจงกรมทำไมท่านสร้างสมาธิภาว น, นา บรรดาพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านทําไปเพื่ออะไรเนี่ยส่วนมนาก ค, ความเพียรนี่ก็เพื่อแก้กิเลสเนี่ยความเพียรเพื่อที่จะทำวิหารธรรมท่านก็บอกไว้กันยังมีแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยคิดไปคิดเอาเสียเรื่องการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรนั้นเสียเมื่อสิ้นกิเลสแล้วประกอบความเพียรไปทําไมก็เป็นความคิดเห็นไปอย่างนั้นสงสัยไปเสียความจริงเพื่อ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 เพียงคนเดียวตามอัิยาสาัยของท่านนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดทรงท่าทรงขันไปด้วยความพอเหมาะพอดีส่วนนมอยู่ก็เป็นอีกอย่างหนึงเพราะผู้ที่มีจิตถึงขนาดนั้นแล้วกับความเมตตาย่อมแยกกันไม่ออกแต่แน่นเวลาประกอบความพระเกียรติก็หนึ่งว่าไม่มองดูโลกดูตรงสามไม่มองดูอะไรเลย เหมือนกับในโลกนี้มีแต่เรากับยิ่งเล่ต่อสู้หรือฟัดกันอยู่เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านจากนั่นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความเมตตาอำนาจแห่งความเมตตานั้นออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธินั้นธรรมชาติที่บริสุทธินั้นเป็นเครื่องเรียกร้องก็กกถูกหรือเป็นแม่เล็กจะดึงดูดความเมตตาให้มีต่อสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ิดนั่นแ่ะเป็นเหตุที่ จะให้ท่านแนะนำสั่งสอนตัวนี้ก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านผู้ใดที่จะควรแนะนำสั่งสอนได้กว้างแคบเพียงไรก็ตามมาแต่อาศัยของท่านเพราะจุดขั้นนั้นแล้วย่อมไม่มีผาดมีโผลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมพอดิบพอดี จะเข่มจะข้นจะผ่านจะผลจะเพ็ดจะร้อนก็เป็นไปตามเหตุตามผลที่พอเหมาะพอดีในเวลานั้นเท่านั้นพอจบผ่านหรือว่าผ่านนั้นไปแล้วก็เหมือนกับไม่มีเพราะท่านไม่มีอารมณ์ที่จะไปยึดไปเกาะว่าไปพูดหนักไปเบาไปหรือยาวไปสั้นไปอะไรทํานองนั้นท่านไม่มีเพราะในระยะที่ท่านเทศนาว่าการนั้นความ ถ้าว่าเป็นปรุงอาหารก็ท่านกับปรุงไปพร้อมๆกันเป็นความพอดีไปในระยะนั้นระยะนั้นไปพร้อมๆเลยไม่มีอะไรว่าเกินไปเกินไปพอจบแล้วจึงหมดปัญหาไปกันทีกันใดเนี่ยท่านผู้มีจิตขั้นถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วย่อมมีเมตตามากอันนี้ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีก ท่านผู้ใดจะมีนิสัยอัตยาสัยกว้างขวางมีบุญญาสัดาในภาพมากเท่าไหร่ก็กระจายออกไปซึ่งเมฆความเมตตานีเป็นพื้นฐานที่ให้กระจายออกไปท่านผู้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็มีแต่มีวงกว้างวงแคบต่างกันสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าย่อนกว่า ก, ากันเลย ทังที่เคยพูดว่าตามวิสนะัยวาสนาหรือพุทธวิสัยสาวกตวิสัยนี้หมายถึงเครื่องประดับอํานาจวาสนาะบุญญาพิสมภาน์ท่านมีกว้างมีแคบมีลึกตื้นยามละเอียดต่างกันไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านองค์ใดก็ตามหรือรายใดผู้ใดก็ตาม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 ใครเป็นคนสอนเนี่ยข้าจะกระจายแต่ท่านไม่กระจายเพราะอันนั้นเป็นเหมือนกับเงาไปไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงแท้ก็คือความบริสุทธิ์ั้งท่านที่รับที่ทรา บ, ท, ท, ราบที่ทรงอยู่เวลานั้นเป็นเครื่องยืนยันกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกองใดๆก็ตามเป็นอันเดียวกันเหมือนกันเลยนี่ถึงท่านเรีกว่านัตติเซโยาปาปิโยคือบรรดา ท่านพูดถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันส่วนพุทธวิสัยสาวกวิสัยนั่นเลหมายถึงปัญญาพิชฌาภ์นี่มีมากน้อยต่างกันความรู้แปลกๆต่างๆจึงมีลึกตื้นหยาบและหยาดต่างกันหมายถึงอย่างนั้น เราพิจารณาถึงเรื่องพุทธการตามตำาหนักตำราแล้วท่านสอนพระนี้มีแต่สอนเรื่องการบำเพ็ญกิจตะภาวนาทั้งนั้นเลยไม่ว่าแทบทั้งนั้นเห็นในตำหนักตำราที่ไหนก็มีแต่จากนั้นสอนนั้นเข้าอยู่ในป่าในเขาพูดตาลบเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องความเพียรเป็นพื้นฐานพื้นฐานไปอยู่ตลอดนั่นละ่ะท่าน ทำไมท่านถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเห็นภัยเต็มพระไทยในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสทั้งหลายเพราะพระพองค์เคยจมกับขิ่งเหล่านี้มานานแสนนานถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมดาสามัญเราเป็นสัพ์ธรรมดาสามัญเาแล้วตัว้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคนสามัญธรรมดาไม่ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์แล้วทําไมพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์พระองค์นั้น่ะ จะไม่ตกนรกเพราะเป็นเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั่วไปย่อมทําได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งหนักทั้งเบาเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มียาล ก, ก็ต่ามก็ยังทราบได้ตามหลักความจริงแห่งกิเลสที่จะพาให้สร้างกรรมนั่นแหละฉะนั้นกิเลสสวัสด์วัตตะก็คือกิเลสเองกิเลสเป็นท่าตาเครื่องพาวนตามหมุนเวียนกรรมวัฏ ี่เยกเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยเมื่อทำกรรมแล้วก็วิปากวัยต้องได้รับผลของกรรมที่ท่านเรียกว่าวัดตะวนสามในปริยัติว่าอย่างนั้นกราหมูนกันอยู่เช่นนี้แล้วทำไมในเมื่อท่านยังอยู่ในภูมิสามัญธรรมดาทั่วๆไปเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลทั้งหลายท่านจะไม่ทำบาปทำกรรมละ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 นี่หนึ่งไม่มีสองคือวิชาเป็นเชื้อที่พาให้สัตว์เกิดนอันดับที่สองก็คือคือกรรมผลของกรรมเรียกวิาปากวิปากกวัด เ, เมื่อเกิดแล้วก็ต้องทํากรรม เ, เพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมบางครั้งให้ทำ เ, เมื่อทําแล้วย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากมักจะมีแต่ชั่วมากกว่าทําลงไปแล้วผลไม่ลําเอียง แล้วทไมจะไม่รับผลผลอันนั้นมีหนักเบามากน้อยเพียงไรก็จะผักจะ ด, ดันผู้ทํากรรมอันนั้นให้ไปสถานที่สูงสู ง, สงต่ำต่ำรื่นเริงแม่ที่สุดนรกก็ต้องตกได้เมื่อกรรมอํานวยที่ควรจะตกแล้วเอาไว้ไม่อยู่สวรรค์ก็ไปได้นรกก็ไปได้เป็นเปรดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมาร เป็นจัดเป็นคนเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเลือกก็คือเรื่องกรรมของจัดนี่เองวิบากกรรมของจัดที่มันสืบเรื่องมาจากอวิชาเป็นตัวยืนรองพูดไงไายยันให้เกิดถ้าลงมิห น, น, น, น, นี้มีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังไรก็ตามว่างั้นเลยแม้รายเดียวพ้นไปไม่ได้ต้องเกิดบังคับให้เกิดคืออวิชาเป็นเครื่องบังคับให้เกิด นี่เมื่อพระ อ, องค์ได้ทรงเลียงยานเห็นชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วและได้ตรัสสรู้ด้วยแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งวัดตจักทั้งหลายซึ่งจะหมายเอาค่าไทยคือใจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ <c oughs> ก็ครอบโลกธาตุนี้แล้วว่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายจนหาที่จอดที่และหาประมาณไม่ได้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 แล้วผลสุดท้ายที่จะสรุปมาถึงเรื่องความทุกข์นี่ก็เพราะอาวิชชาพาให้เกิดและได้รับความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ทรงเรียนเห็นหมดทุกสิ่งทุ ก, ทกอย่างแล้วพร้อมทั้งความอัศจรรย์ที่ได้หลุดหรือผ่านพ้นจากมาหันตทุกข์ที่ออกมาจากความเกิดตายนั้นเต็มพระไถยคือทรงทราบเต็มพระไถย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 จากความเป็นทอกเจ้าของเสองและอันดับต่อไปก็จากสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจึงประมวลสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่แดนแหน่งความเกิดนี้ทั้งหมดว่าความเกิดนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุสัตว์จะได้สร้างกรรมถ้าให้เกิดก็ไม่สร้างน่นมีอันนี้เท่านั้นเมื่อได้เห็นชัดแล้วบัดนี้ก็ได้หลุดพ้นไปเสียแล้วจิตสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดที่จะสเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เหมือนอะไรเลย ถ้าไทยดวงที่บริสุทธิ์นั้นน่ะความประเสริฐเลิศเลยทั้งหลายก็ได้ประจักษ์ในพระไทยโทษที่เคยผ่านมามากน้อยก็ประจักษ์ในพระไทยเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้นวนด้วยเต็มพระไทยอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากเอาในปัจจุบันนั้นมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้การตื่นการตายเป็นเหมือนกับฟืนกับไฟ เราตถาคตรหรือว่าใครก็ตามเคยเป็นมาจนนับไม่ถ้วนแล้วให้เก็ดให้หลับให้มาตามตถาคตนี่ถือเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากจะจุงไปสดสดร้อนๆนั่นเพราะพระเมตตามีมากมนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นอันดับหนึ่งพราะสาวกทั้งหลายที่รู้ที่เห็น ตามภูมิของตนก็อีกเช่นเดียวกันการแนะนำสั่งสอนจริงสั่งสอนถึงเหตุถึงเลถึงผลถึงความสั์ความจริงที่เคยเป็นมาอย่างไรเพราะท่านก็เห็นเต็มภูมิของท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นนรกอาวจีไม่ว่าจะเป็นบาปกรรมสวรรค์ท่านภรมที่ไหนท่านก็เห็นประจักษ์เต็มภูมิของท่านที่เป็นสาวกเหมือนกันเหตุใดท่านจะนำสิ่งเหล่านี้มาพูด ได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่ได้ท่านต้องพูดเต็มวิสัยของท่านที่เป็นสาวกนั่นแหละในการสั่งสอนโลกทั่ ว, วไปท่านจะสอนอย่างนั้นนี่นี่แหละผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นผู้ที่ไปเจอมาแล้วจึงพูดได้อย่างจะแจ้งพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้ด้วยกำลังของใจเพราะได้รู้ได้เห็นจริงๆไม่มีสงสัยในสิ่งที่นามาพูดนั้นจึงพูดได้อย่าง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 นี่พอพระพุทธเจ้าแสดงขึ้นผางท่านั้นก็เหมือนกับว่าเปิดประตูให้ผึ่งออกเลย่ะท่านล่า น, นี้เป็นผู้ที่เสาะแสวงหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจพอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาแล้วเปิดประตูคือทำทั้งหลายให้ท่านั้นท่านก็ออกอย่างรวดเร็วนี่แหละที่ว่าอุคติตัญยู่ยิบยิจตนอยู่ผู้ที่รู้ธทำได้อย่างรวดเร็วคือท่านพูดถึงขั้น ความจริงเต็มหัวใจแล้วเป็นแต่เพียงว่ารอรับอย่างที่ว่าดอกบัวกาลังจะแย้มบานอยู่แล้วพอรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นก็บานทันทีนะี่พระอาทิตย์สถานที่นี้ก็หมายถึงพระโอวาทคำสอนจากท่านผู้รู้จ ร, จริงๆพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศสอนธรรมท่านเหล่านี้จึงรู้ได้อย่างรวดเร็วนะ เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกันนี่หลัการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามีน้ำหนักถึงขนาดนั้นทำไมสัตว์โลกจะไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดสุดยอดแห่งธรรมเป็นจำนวนมากมายเราก็จิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้จะมีอะไรเทียบอีกเหมือนกันว่ามีจำนวนมากอะไรมีมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้วิญญาณของสัตว์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 จึงได้บรรลุธรรมอย่างมากมายเนี่ยที่พระพุทธเจ้ามาอุปบัติแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยขนดวงวิญญาณที่เคยจมอยู่ในกองทุกข์มากมายกล่าวกองเนี่ให้ดูพ้นออกไปได้มากขนาดไหนฟังสิผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะผ่านไปได้เลยก็ผ่านไปได้เลยผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ค่อยตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังเพราะการ สร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาตามพระวัดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเพิ่มเติมบารมีขึ้นไปนี่ก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแม้จะไม่ยังไม่หลุดพ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ความดีมีอยู่แล้วภายในจิตใจพร้อมแล้วที่จะเป็นไปในการข้างหน้าน่ะเรต้องเรียนรู้โดยไม่ต้องสงสัย มีหลักการแสดงธรรมของพระพุท ธ, ธเจ้าจึงต่างกันอยู่มากเพราะแสดงด้วยความรู้ความเห็นทุกแง่ทุกมุมใครความสามารถขนาดลูกกล้องใครจะเกินพระพุท ธ, ธเจ้าล่ะฟังสิพยานของพระองค์อย่างทราบตลอดทั่วถึงไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรปิดบังลี้ลับที่พระองค์จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นต้องทรงรู้ทรงเห็นทั้งนั้นนะการแนะนำสั่งสอนก็มีความกว้างขวางกว้างฝั ง, งลึกตื้นยาบละเอียด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 เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยมาลองลำดับลงมาก็พระสาวกช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงไปด้วยการแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รู้จริงเห็นจิ่นในธรรมทั้งหลายเรื่อยมา <c oughs> นี่นี้เวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์นี้ส่วนมากมีแต่กิจตภาวนาแสดงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการภาวนา ไม่ได้แสดงเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้นั่นคตั้งี่นี่แหละตำหลับตำลาวนี่อจะั้งใให้วาไงไอ้ตั้งใท่านเห็นภายในกองทุกในความเกิดตายนี้มากที่สุดยิ่งบอกจะมารูปรู ป, ร ป, รปคำค ำ, คำกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งใครๆก็ทําได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนแนะนำสั่งสอนลงในจุดสาคัญสาคั ญ, คญเฉพาะนักบวช ทรงแสดงอย่างนั้นสอนอย่างนั้นตามตำรักตำดาเราเห็นเช่อนนย่างเวลาบวชนี้เอาอะไรยื่นให้ก่อนฟังดูสเอาสถานที่บําเพ็ญยื่นให้ก่อนเอางานที่เป็นเหมาะสมที่สุดกับผู้เป็นรับบวชผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันยื่นให้ก่อนนะยื่นให้อะไรเวลาบวชก็ก็บอกงานให้เลยว่า ไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตไม่มีงานใดที่สัตว์โลกจะติดพันไม่มีงานใดที่จะปิดบังหัวใจของสัตว์โลกได้แจ่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คืออะไรในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนก็บอกอยู่ในสกลการนี้เอายุนย่ออกเป็นเอกเทศสะก่อนเพื่อให้ทันเวลากับการพิธีปฏิบัติแล้วก็สอนกรรมฐานห้าให้นะกรรมฐานห้าแปลว่าอะไระสถานที่ตั้ง แห่ ง, งานมีห้าอย่างหรือตจจกะจับบรรยกกรรมฐานแต่ว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าคือเกสรลมมานาคานตาตะโจนะท่านสอนนะเอานี้นะงานนี่และสถานที่ทํางานนี้คือสถานที่เชื่นไหลก็บอกอีกลุกคุมโลเจนาสนังนี้เป็นอันดับหนึ่งถ้าจะพูดถึงว่ า, าท้าคตเอามาเป็นเครื่องยืนยันก็าท้าคตเคยอยู่สถานที่ที่นี้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสลู่ในร่มไม้ร่มโพ ร, ร่มเดียว ปรากฏว่ามีที่บุงที่บังที่ไหนไม่มีแต่จสรู้ที่โคนต้นมหาโพธิ์แห่งเดียวนั้เท่านั้นนั่นจึงต้องนําอันนี้มาเป็นสถานที่ชั้นเอกมอบให้พระทั้งหลายงานก็งานชิ้นเอกเกียรสาลุมานาขาวต่างต่ตจูเมื่อพิจารณาเข้าไปนี่แล้วงานในี้นี้จะค่อแตกกระจายไปทั่วสารพันร่างกายและกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเป็นเหมือนเหมือกันถ้ารู้ว่าอันนี้จังท่วงหน้าตาก็เหมือนกัน อสุภาอสุพังก็เหมือนกันตีกระจายไปได้หมดนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ในตำรับตำรามีมากต่อมากไม่ค่อยจะยุ่งกับเรื่องอะไรอะไรเนี่ยนี่ตั้งแต่เรื่องนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นปฏิปทาของพระโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชขอให้ยึดขอให้ถือหลักเกณฑนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชั้นเอกนิ้ว ฝังอย่างลึกภายในจิตใจอย่าได้เห็นงานใดสิ่งใดเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่านี้เรื่องความอยากที่มันเข้ามาขีดมาขวางมาตัดรอนอยู่ตลอดเวลานั้นมันมีอยู่ตลอดถ้าเราไม่สู้ไม่รบมันยังไงก็ต้องแพ้มันบันญัติธรรมหาอัธหธรรมที่จะมาปรากฏในจิตใจไม่มีเลย่ะมันอยากอะไรเนี่ยอยากเห็นก็ตาออกทางตานี่กับความอยากออกมาจากใจอืมิเลตันหานะ ตัณหาแปลว่าความหิวความโหยมันไม่มีวันพอไม่แต่ไม่ใช่จะจะพูดตวาราคะตัณหานะตัณหากันเป็นกลางๆคือความอยากความหิวความทะเยอทยานมีแต่อยากนิร่บตัวของเราถ้าไม่ไม่เอาจริงๆสู้มันไม่ได้เพราะมันมีอยู่รอบตัวตาก็อยากเห็นตาจริงๆไม่อยากเห็นแต่หัวใจที่เป็นอยู่ภายในที่อยากเห็น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 คู่นิดอยู่นั้นนะอุ่นกันอยู่นั่นแหละไม่ว่าเป็นของเศษของเด่นอะไรล่ะอุ่นกันอยู่อย่างนั้น น, นี่แหละความอยากอันนี้ให้ระมัดระวังให้มากถ้าไม่เห็นความอยากเหล่านี้เป็นภัยแล้วยังไงก็จะไม่เห็นอัดเห็นำทำพากันหนักแน่นในการปฏิบัติอุบายวิธีการฝึกภาวนาของตนอันใดที่มันเป็นไปเพื่อ ความรู้ความเห็นความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดอุบายใดหรือวิธีการใดให้ยึดนั้นมากกว่าวิธีการอื่นเช่นเดินจนกลมมากๆเป็นยังไงได้อุบายอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าเดินนานๆแล้วก็ว่าตัวได้เดินไม่ใช่อย่าง น, านั้นเดินนั่นก็เป็นการกล้าเดินเพื่อความเพียรอันหนึ่งสติกับจิตทางานอยู่ภายในตัวนั้นนั่นเป็นความเพียรอันสำคำัญ เราเดินนานๆเป็นอย่างไรบ้างผลไปปรากฏอย่างไรบ้างยิตสงบไหมเย็นไหมยิดฉลาดไหมนั่งมากเป็นยังไงเดินมากเป็นยังไงดูยืนเป็นยังไงนะจากนั้นก็ยังมีเรื่องอดนอนผ่อนอาหารอีกเนี่ส่วนผรอนอาหารนี่ดูจะถูกมากกว่าอย่างอื่นสาหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแต่ละเฉพาะผมเองเนาผมแน่ใจว่า ระทุในการผ่อนอาหารอย่างน้อยผ่อนอาหารมากกว่านั้นอดอาหารแต่เป็นการทุกข์การทรมานมากอยู่ไม่น้อยนะเพราะเคยผ่านมาแล้วคิดย้อนหลังถ้าว่าจะเข็ดก็น่าจะเข็ดเพราะทุกข์จริงๆแต่สิ่งที่เหนือนกว่านั้นมีจริงมันจริงไม่เข็ดมันจริงไม่กลัวไม่สะทุกสะท้านกับสิ่งที่เจ้ของเคยผ่านมาด้วยความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นเลย ยิ่งกว่าทำที่เราได้รู้ได้เห็นจากวิธีการนั้นนี่นี่หลาให้คิดแต่ของทำเฉยๆทนเพลี่ยนเฉยๆไม่คิดไม่อ่านไม่ใ่ไม่ตรองไม่ได้นะต้องใช้ความคิดอ่านต่ตรองหลายสันหลายคมพิษแพงเปลี่ยนแปลงปให้เห็นว่าก็ตามที่สอนแล้วว่าเฉลีเฉลีฉลาดขนาดไหนสติปัญญาไม่ใช้เพื่อความฉลาดจะทัเนเฉลี่ได้ยังไงต้องเอาให้ทันกันไม่อย่างนั้นไม่ทันจริง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 วัตวจักรอันนี้มันสักเท่าไหร่ไม่มีกําหนดแล้วฟังสิเป็นมาขนาดไหนเราผ่านมาจนกระทั้งถึงตอนนี้แล้วมันเป็นขนาดไหนเรายังนับไม่ได้แล้วยังจะเป็นปีกข้างหน้านั้นอีกเท่าไหร่นั้นหนักมากยิ่งกว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้ยังจะมีมีไปอีกไม่ทราบว่ากี่ล้านล้านกับล้านล้านกันนะถ้าแก้ไม่ได้เพระาะฉะนั้นแก้เสียบัตรนี้แก้เสียเวลานี้เอาทุกประทุกเถอดทุกเพื่อความเพียรทุกเพื่อแก้กิเลสกิเลสไม่คาพาใครให้เป็นสุข การต่อสู้กิเลสต้องเป็นทุกนอกจากกิเลสมันหมดไปจากหัวใจแล้วไม่มีอะไรต่อสู้แล้วไม่ทุกนี่เราต้องคิดอย่างนั้นสิในลา น, นี้ที่เราทุกเรื่องความภาคความเพียรก็เพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสมีมากทุกมากกิเลสมีน้อยทุกน้อยจนกระทั่งกิเลสไม่มีเลยไม่มีทุกเพราะไม่มีการต่อสู้กันเอามันเห็นทั้งสามอย่างนี้สิถ้าลงได้ถึงขั้นกิเลสสิ้นซากโดยเผาศพกิเลสด้วยกุศลธรรมมาแล้วไม่มีอะไรมากีดกัน หัวใจนี้ได้เลยยืงได้รู้ว่าหัวใจนี้เวิ้งวางไปเต็มอิสระตนไม่ว่าอยู่ว่าไปคำว่าอียาบทก็ไม่มีการจะถานที่ก็ไม่มีใจในจิตดวงนี้ด้วยเช่นเดียวกับเราที่เคยเกิดเคยตายมากี่กรั้กัอกนอันนี้ยิ่งจะไปกว่า น, นั้นอีกเพราะอันนี้แน่แล้วเนี่ยส่วนการเกิดตายนั้นยังไม่แน่พอที่จะผ่านก็ผ่านไปได้ กฎอ น, นิจจังยังมีตามอยู่ยังพอเป็นไปได้อยถ้ามีเครื่องช่วยนะถ้ามีเครื่องช่วยมันก็หมุนของมันอยู่อย่างนั้นนี่แต่สำหรับจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นไม่มีอะไรช่วยแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านวิงทีนว่าอานันตการทีรว่านิพานเที่ยงนั่นเนี่ยฟังเอาเที่ยงตลอดเวลานั่นหาหาทุกที่ไหนทุกเพียงเท่านี้เพื่อจะแลกออกความสุข ตลอดนั้นในการทําไมเราจะไม่ยอมเสียสละเราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทุกเราก็เคยทุกมาพอแล้วทําไมจะต้องไปเฉดประปหลาดในการประกอบความเพียรที่เกิดทุกข์มันต้องสู้กันอย่างนั้นคิดทีสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยเฉยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ดูอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองเป็นอย่างไรบ้างอย่าอยู่เฉยเฉยอย่าสักแต่ว่าความเพียรคาว่ามีสติก็มีเฉยเฉยเวลาควรจะมีปัญญาก็ให้มี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 หรือชิบหายไปเสียกรรมศักดิ์จะ อ, อะไรมาหมุนอย่างพระพุธทธเจ้าท่านนั่นนั่ น, น, นไม่ได้หมายถึงตายชิบหายนะั่นหมายถึงเชื้อแห่งความให้พามุนไม่มีแล้วท่านก็เป็นบร ม, มาสุขนั่นพูดคลองบรมมาสุขยังไมีก็คือจิตดวงมือมสุขนั่นเองจะเป็นอะไรไปมีเรื่องความทุกข์ความลําบากของเรามันเป็นมามากน้อยอย่างไรมันน่าจะเอามาทบมาทวนกันกับความทุกข์เพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไป เอาตามันไม่ถึงตายในเรื่องเพียงการประกอบความภาคเปลี่ยนทุกแค่ไหนให้เห็นความจริงแค่นั้นจริงอย่านักประกอบความภาคเปลี่ยนว่าประกอบความภาคเพี่ยนในองค์อริยสัจเป็นยังไงองค์อริยสัจให้มันเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจสิเมื่อเห็นองค์อริยสัจประจักษ์ใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองน่ะไอเรื่องการต่อสู้เรื่องการความภาคเพี่ยนมันจะทุกข์ขนาดไหนที่นี่ไม่มีถอยเพราะอะไรเพราะหลักเกณฑ์ที่เราได้เราได้ยึดเป็นของอาศจารย์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 สติปัญญาให้จาะลงไปตามความทุกข์มันมีมากน้อยให้เห็นความเพื่อนไหวมันมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรอะไรเป็นผู้ทุกข์ส่วนนมากมันจะต้องว่าอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกข์เส้นแข้งเป็นทุกข์ขาเป็นทุกข์มือเข่าเป็นทุกข์เป็นต้นนะมันก็จะมาเล่าาอันนี้เป็นทุกข์ความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาให้เป็นสัจธรรมแล้วค้นลงไปจริงๆว่าหนังก็ะสักจะว่าหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์อันนี้เพิ่งมีนี่แน่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไง เนื้อหนังเองก็ดูมันมีมาตั้งแต่มันเกิดอันนี้เพิ่งมีเดี๋ยวนี้เกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเดียวกันได้ยังไงถ้าเป็นเดียวกันแล้วอันนี้ทุกนี้ดับสิ่งเหล่านั้นต้องดับไปด้วยแตกทลายไปด้วยกันชิดหายไปด้วยกันที่กับทุกที่มันดับลงไปแต่นี้เวลาทุกนี้หายไปดับไปมันก็มีอยู่อย่างนี้มันเป็นันเดียวกันได้ยังไงนั่นที่เรียกว่าค้นหาความจริงเราอย่าคาดนะจอลงในความทุกข์เอามันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนเอาไม่ต้องกลัวว่าตาย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 แต่ก่อนเหมือนจะเป็นจะตายจริงๆนี่อะไรจะไปไปทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เวลาพิจารณารอบกันแล้วทุกสักแต่ว่าเท่านั้นนะและดูทุกนั้นก็ไม่มีความหมายในตัวเองด้วยและทุกนี้ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดไปกระกกระเทืนผู้ใดมันก็ไม่รู้ความหมายของมันด้วยเนี่ยเอาไว้ว่าต่างๆที่ว่าเป็นทุกเป็นทุกแต่ก่อนนั้น ดูแล้วหนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเอว้ยว่าทุกส่วนเป็นของตัวเองอยู่โดยลําพังไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไรนั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทุกนี่ไปร้ายแก่ผู้ใดทุกก็มาไปร้ายเก่ผู้ใดนี่แ่ะเป็นความจัดความจริงแล้วความหมายว่าอันนั้นเป็นทุกนี้มันทุกมาจากไหนนี่มันก็วิ่งเข้าถึงใจกายเนื้อเวทนาคือทุกขเวทนาหนึ่งใจหนึ่งสัญญาความหมายย้อนก็หาใจย้อนเข้าดูใจอีกทีหนึ่ง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 ใจไม่หมายที่นี่เมื่อใจไม่หมายแล้วทุกขังอริยสัจจังตเต็มหัวใจอ๋อเป็นอย่างนี้คําว่ารู้ทุกรู้อย่างนี้คาว่าทุกเป็นสัจธรรมเป็นอย่างนี้นั่นสิมันถึงจะชัดท่านเห็นชัดอย่างนั้นสินี่แหละท่านว่าทุกขังอรษษษษษษษษิยสัจจังท่านเป็นอย่างนี้สมุทัยก็คือตัวความหมายนั่นเมื่อรอบมันแล้วมันก็หดตัวเข้ามามันไม่ไปหมายสัญญานั่นแหละหมายว่านั่นเป็นทุกนี้เป็นทุกเมื่อพิจารณารอบแล้วมันก็ไม่หมาย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 ไม่มีอะไรสําคัญอันนั้นเป็นความเสียสันตัญญโของกิเลสแท้ๆแล้วไม่ใช่อะไรล่ะ ม, มันมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีมันอยากเพราะอยากด้วยความสำคัญว่าอันนั้นดีนนี่ดีจึงอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์นี่มันดิ้นอยู่ในหัวใจนี่ดิ้นอยู่ตรงนี้เองเพราะนั้นจริงบังคับความอยากให้ได้ดูหัวใจของมันอยากอะไรถ้ามันเห็นจนกระทั่งมันดิ้นมันดีดออกมาสิ แล้วจากนั้นแล้วมันก็สงบตัวลงไปนีสมาธิตีหัวัลงไปปัญญาน่ะช่วยพิจารณาสงบตัวลงไปจากนั้นคลี่คลายดูอ้าวมันติดอะไรมันพัวพันอะไรในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสทั้งนั้นมันซึมมันซาบไปหมดทั่วสารพานางกายนอกจากนั้นยังระบาดสากระจาไปทั่วโลกดินแดนมันอยากเกี่ยวมันเกี่ยวโยงไปหมดนั่นแะ ลักได้ช่างได้ทั้งไก่ทั้งไก่เกลียไ ด, ลดได้โกรธได้ทั้งไก่ทั้งไก่ไปเป็นเรื่องของกิเลสตีทับกระจายออกไปทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ทันมันตื่นไปได้อย่างนั้นเมื่อทันแล้วมันไม่ไปพอมันแยบตรงนี้มันรู้แล้วความเคลื่อนไหวของกิเลสออกจากสังขารที่ปุ๋งแยบเนี่ยมันรู้แล้วทันแล้วต่ําเข้าไปหลายครั้งแล้วผลก็ฆ่าได้เท่านั้นสิการพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนะ ให้ถือเป็นสดสดร้อนๆ้กิเลสมันสดสดร้อนร้อนเหมือนกับไฟนี่แหละยี่เข้ามาเมื่อไหร่ร้อนเมื่อ น, นั้นมันสดสดร้อนรไหมไฟกิเลสเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่สดสดร้อนร้อนมันเผาเราได้เผาเราได้มรรคก็เอาให้ทันกันต่อสู้อย่าอ่อนข้อต่ อ, ตอมันอย่าไปนับว่าวันนั้นก็ลำบากวันนี้ก็ลำบากอย่าไปยึดนะกิเลสหลอกอีกนะ่ะเมื่อวานนี่ลำบากวันนี้ไม่อยากทําไปแล้วนั่นเห็นไหม นิเรศมันไปหลอกแล้วไม่ไปน้องต้องมานับเวลาเบลล์เวลากิเลศมันอยู่กับหัวใจนี่มันเอาเวลามันหลอกเราตีเราให้ทำยุบย่อให้ทำก้าวขาไม่ออกแล้วนี่ก้าวไม่ออกนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วท้อใจนานมันเป็นยังไงวะเมื่อวานมันทุกข์ทุกเพราะอะไรเมื่อวานเราก็ได้พิจารณาเป็นเรื่องศาสนาธรรมแล้วมันมาทุกข์อะไรถ้าเป็นศาสนาธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์มีแต่ความจริงล้วนเท่านั้นนั่นฟาลงไปตรงนั้นอีกอีงเรียกว่า การพิจารณารำตั้งหลายแต่มันเห็นนี่คำว่าใจอศัศจรรย์นั้นแต่มั น, นไม่เป็นมันฆ่าเฉยๆไม่ได้เรื่องนาฆ่าดก็เป็นกิเลสมาฆ่าเสียมันก็ไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดอะไรเสียนะั่นอ่ะกิเลสเพราะมันกิเลสไม่เป็นของแปลกประหลาดไม่เป็นของอศัศจรรย์เห็นอะไรมันก็เอาเอาขี้ต้มขี้โคลนไปกบไว้หมดเลิการเป็นขี้ต้มขี้โคลนมักผลนี่พานกว่าการเป็นขี้ตมขี้โคลนไม่ใช่ คงดีคงดีไปซะแล้วเพราะกิเลสมันไปพ่อไปหมดแล้วเปิดออกเปิดดอกเย้สิหนิเปิดออกเปิดออปด อ, อกเมื่อที่ตุมที่โคนนี้มันกระจายไปกระจายไปมันก็เห็นทองตั้งแท่งนล้สิของก็จะเสดสุอะไรในแดนสามแดนสาแดนโลกฐานนี้อะไรจะเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี่ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรท่านเรียกว่าโลกุตรธรรมธรรมที่สุดยอดจริงๆก็คือโลกุตระจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนี่แหละพูดไม่ถูก ถ้ า, าว่าเราจะนํามาพูดได้ก็คือแปว่าเมื้องวางว่างนั้นเลยถ้าหากว่าเป็นปลาก็ปล า, ปาในทะเลหลวงแบกว่ายหัวหางกลางตัวสะดวกสบายไม่มีอะไรจี่อะไรขวางน้ําก็ลึกกว้างก็กว้างอยากว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายนี่พอเป็นเครื่องเทียบกันคิดนี่เหมือนกันเมื่อเวลาสิ่งผักดันหรือเวลาแหลมหลาอะไร ที่มันทิ่มแทงใหัวใจเสียบอยู่ในหัวใจเรานี่ถอนออกหมดแล้วเนี่ยที่นี่ไม่มีอะไรเวอร์หวางน่นเป็นอย่างนั้นเอาตาดูได้สบายนานทั้งแม้แต่ในขันนี่เหมือนกันเพราะทั้งทั้ ง, ง, งติดตะกรดูไม่ได้มันจะเป็นไฟเผาขึ้นขึ้นมาทันทีฟังไม่ได้เป็นไฟขึ้นมาจมูกที่นี่กายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเชื้อไฟสันนั้นเผาได้ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้ น, นเวลาไฟอยู่ภายในมันแรงกล้า อะไรผ่านมามาได้มันไม้หมดไม่หมดเป็นฟืนไฟเป็นตาไม่หมดแต่พอดีไฟดับแล้วในเตานั้นอ้าโยนฟืนเข้าไปเชื้อไฟโยงเาไปไม่ว่าจะอะไรเอาน้ํามันที่เขาเรียกอย่างน้ํามันทุกวันเนี่ยน้ามันรถเอาสาดลงไปมันก็เป็นน้ํามันอย่นั้นมันไม่ได้เป็นไฟเพราะไฟมันหมดแล้วในเตานั้นเชื้อไฟซ่าก็ไปเท่าไหร่โยงก็ไปเท่าไหร่ถ้าเป็นฟืนก็เป็นฟือนอย่างนั้น ถ้าเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงก็เป็นน้ามันยุ่ยชนมันไม่ได้เป็นไฟนั่นแหละที่ว่าไฟในเตาดับแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ไฟกิเลตตันหาอาจจวิชะในเตาคือหัวใจนี่หมดแล้วเป็นอย่างนั้นเครื่องใช้ทั้งทั้งหลายเ่านี่มันเป็นพิดเป็นพายอะไรมันเป็นเครื่องใช้เฉยๆเป็นทางเดินของกิเลสตัหางๆตาหูจมูกลิ้นกายดูได้เต็มตาถ้าอยากจะดูแต่ท่านจะไปหาดูอะไรความพอเหมาะพอดีมีอยู่นั่น ทำมีแต่ความพอดีไม่ใช่ความรวดผลรวดผลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราพูดเฉยๆว่าจะดูจนตาแหกมันก็ได้ตาแห้งมันก็ได้ไม่จะให้เกิดกิเลสมันไม่เกิดอ่ะหูฟังจนกระทั่งนจงหนังมันทะลอกหูขาดหูกรุดไปหมดมันก็ดูได้ฟังได้แต่มันไม่เกิดกิเลสนั่นพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภาสภานั้นได้แต่มันไม่เกิดกิเลสเช่นเดียวกับโยนเชื่อเพิงเข้าไปหาเตาไฟนั่น โยนเข้าไปเท่าไหร่ก็โยงเข้าไปที เ, ปเมื่อไฟในเตาไม่มีแล้วจะอะไรมาเป็นเปลวอะไรมาเป็นไฟนี่เมื่อมันหมดภายในนแล้วมันะอะไรก็ตามต า, มตามหูจมูกริ้งกายมันจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูปสียงกินรถเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุมันก็เป็นอนนั้นอยู่เช่นเดียวกับกองมฟื้นนั่นแหละผมพูดจริงนะผมไม่ตรตกจริงๆนะมิ ต, ต, ต่ตกกระวงคณะเราคณะกรรมฐ า, าน สายมันปู ม, มันมันจะค่อยเยลื้อยไหลไปเลื้อยไลไปทีที่ตกมากที่สุดก็คือมีไฟฟ้าเข้าไปวัดเนี่ยโค้ตกที่ตกมากนะมันจะไม่นานเลยมันจะมีเทออทัศน์เข้าไปอวีดีโอที่สาคัญมันชอบชนี้ไหนมันจะหามาเฮ่หามาตั้ตยังนรลกโกเปรดทั้งนั้น หมดจริงๆละ่ะถ้าลงอันนี้ก็ได้ข่าวัดแล้วหมดนักภาวนาเราไม่มีเหลือนะพูดได้ขาดตัวเลยเก็ลูบ ก, ก, กันอยู่แล้วลูบ ก, กันทัดทัพยู่แล้วอย่งผุ้นยน้ำไม้ก็แสดงว่าตั้งหน้าต่งตางๆหน้าด้านจริงๆบป็นยังไงทาลายศาสนาจริงจริงไม่เอาเข้ามามันมีอะไรไฟฟ้าไฟดินแล้เราใช่มาจากคอตเตอแม่เราไม่มี ห, หมดทุดแล้ว เห็นมิเสวิสโสเลยครับไฟสว่างความสว่างนะ น, น, นี่ไม่เห็นมิเสวิสโสในใจสว่างอะไรไปเห็นไฟสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้อนะันดีสาคัญทําให้อดคิดไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแน่ๆรอจังหวะอยู่แค่นั้นเองเวลานี้นะ พอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยเพิบเดี๋ยวหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่มดคําว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยว่าได้ชาติอย่างนั้นถ้าลงอันนี้เลยเข้าเลยคําว่ากรรมฐานอย่าไปถามถึงเลยอ๋อมันเลื่อมเล่นเมื่อไหร่อันนี้เดียวทัดกลมกลมทีเดียวมานร้อเปอร์เซนเดียวไม่มีคําว่าเลี่ยงเลี้งไม่มีคําว่าอ้อมอ้อม ตรงเป่งก็ไปใส่พ่วงหัวใจเลย่วงว่าตับเงินขาดกระบ้นหมดเลยเวทดีโอ้ยี่มันไปเอาอะไรอะไรมาเพืดได้นั้วไปหาเอามา ส, สนีส่มันมันลายที่สุดอันนี้เหัอทำไมโตอิจารใครทำไมาเอารินาระจริงไปไม่รอด น, นะเราต้องจเจดีนี่เหนียวมากนะละเอียดมา ก, ก น, านั่งพูดแล้วน่ สนับซับซ้อนโห้ยสวงรอยนี้ไม่ทันนะมันเร็วขนานั้น่ะเราไม่ทันจนกว่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นนั่นที่ที่เห็นอะนรนี่ก็คือเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมันเป็นมาใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่งที่พูดนี่มันไม่เห็นอยู่ไม่รู้อยู่ว่าไงก็ปล่อย้มันเหยียบย่ํำมันแบ่งสันบางส่วนกินอยู่นั่นนะ อย่างน้อยแบ่งฉันบางส่วนกินมากอันนั้นบีบคอพวกเราพวกคนบีบคอกินไม่ใช่อนแบ่งฉันบางส่วนแต่ชาวส่วนนั้นให้เกียรติบ้างฉะนั้นมาขอแบงองมันมาบีบอคอกินเลยทีพวกเราพวกถูกบีบอคอกิ น, น, น, น, นกเลยกินนะ่าทุเรศนะผมพูดจริงๆในหัาใจของผมนีน่มันมันเป็นอย่างผมพูดนะถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กรรมคู่เวนกับเรานี่ โขค่าได้อย่างพินาศเลยไม่สะทกสะท้านเลยนะกี่ศพยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ฆ่าคนความเครียดแค้นวางนั่นเดินนะเครียดแค้นในีิเลเนี่ยถึงขนาดนั่นเดินนะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดที่ว่าพระุทธเจ้าท้งเห็นโทษ ด, ด้วยควาถึงปฐัยออืเห็นจริงๆทําไมจะไม่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยจับเหมือนกับว่าจับฉุดลากไม่พอยกองไฟนั่นวะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าฉุดลากมาอย่างสุดเต็มกําลังเลย คนหนึ่งไม่รู้สเสื้อผ้าเขาต้องจะเข้ากล่องไฟไนะอันนี้จับมือได้จับแขนลากออกมากนี้เลยอย่างแรงๆนีแรงนี่มันก็ ม, มันไม่มันไม่หนักเหมือนที่เข้ากลองไฟทั้งกล่องแล้วมันหมดเลยนั่นอันนี้ลากมาอันนี้จะเป็นอะไรไปนั่นนี่พระเจ้า ส, สาั่งสอนทา่โลกท่านสั่งสอนานจริงๆพราะท่านเห็นหมจริงๆนี่ปิดตาอยู่หิดดวงนี้อะ่ะ เวลเปิดอ่ะแต่ความสงสารท่านกับความวางเมตตาท่านก็ท่านก็มีธรรมวันจะด้วยแรงหนักเบามั่งน้อยอย่างไรนั่นท่านก็มีขอบเสตขอท่านอีห่ะือว่าไงไม่ใช่จะถุกจะลากกตะพัดตะพือคนหูหนวกตาบอดก็จะลากไปหมดได้ไน่ะคนที่ควรลากก็ลากอี่ไม่ควรลากโอ้สุดวิสัยอย่างที่ท่านว่าพวกดาวโทั้งสองอ่ะ โอ้น่าเสีดายเนี่ยนี่ตายไป้ะหมดแล้วมันเย็นวันนี้น่าเสีดายเ อ, อ, อ่คือมันสุีิสัยมันมีความเมตตาก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้แล้วเมตตาเมตตาสงสารเมตสงสารโห้ใจตรงนี้ไม่ใช่เล่อ น, นะไม่กล้าพูด ไม่มีอะไรมากกว่าการเกิดตายเกิดตายของจิตแต่ละดวงมาดวงมากจริงๆแล้วยังยังยังไม่กำหนดอีกนะเนี่ยที่ถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นไปอย่างนี้อตลอดนั่นนะฟังสิภาษาบาลีผมลืมเช้ไอมนามตะโคน่าว่าในในบาลีมีคือไม่มีว่าต้นเงอนปลาเลย มันมันมันมน่าคุยเรือจริงๆนะเรื่องจิตวิ ญ, ญญาณนี้ใหม่ชัดโลกทั้งหลายทั่วแดนโลกกระท่านนี้ใครไปเห็นวิญญาณเจ้าของเป็นอย่างนั้นเห็นวิญญาณผู้อื่นเป็นอย่างนั้นฟังสิ <c oughs> พระเจ้าทำไมท่านเห็นนี่ไม่อาจ า, จารย์ท่านอาจารย์ตงไหนเคยเป็นมาในเห็นหมดแล้วสอนสอนแบบชุมแบบล่าง มันอยัดถึงใจถึงใจก็เห็นมาแล้วอยางถึงใจนี่สอนธรรมดามันจะเป็นปีที่เท่าไหร่นะังทุกข์แค่นี้ทุ่ ม, มลงไปความเสียดายอะไรต้องปัดมันจะดายท่าฟ้าเท่าประเดี๋ยวนี้ต้องตัดต้องตัดเนี่ยคือว่าต่อทู่วขีเหล็ต้องฝืนกันฝืนกันมันจะดูไม่ดูนั่นมันจะฟังไม่ฟังนั่น คขึ้นชีวิตจะเป็นการส่ ง, สงเสริมยีเดียดจะทําให้เกิดียเกิดแล้วไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นเนี่ยถึงไหนถึงกันเป็นในตป็นกันีสิ่งนี้มันเคยมาแล้วผูู้ปฏิบัติแล้วเราเอย่างนี้ไม่ต้องพูดแลยมันฝืนแสนจะฝืนมีเตฝืนเนี่ยสิ่นี้เนี่ยถ้าดูออกข้างนอกก็ฝืนอย่านี้ตัดกันผึนผึนผึงถึงขันถึ ง, ถ ง, ถงให้ลบดีก็อยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนี้มากไป ถ้าอยู่ในกระดานมันจริงๆแล้วก็มันเจอกันอยู่ตลอดเวลากับทบกันอย่ตลอดเวลาใครจะได้ฝืนทนละ่ะว่าให้หลีกไปอยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้หนะ่อยดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสินของเป็นยังไงน่ะั่นใครฉลาดเกินหลพุทธเจ้าพิจะน่าที่เรื่องข่านี้น่ะเรื่องของเล่นเมื่อไหร่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 เสียงหญิงเสียงชายเสียงดูดเสียงด่าเสียงว่าเสียงสนเสริญนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่ภัยรอบด้านรอบด้านจมูกเอาไี้ดมอะไรกันมันเอาเข้าดมหญิงดมชายกันไปสี้เป็นบ้าไปแล้วนั่นบ้าจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้นะตอนนี้ไมล่ยิ่งจะไมนยุ่งนะไม่ได้นะมันจะมาเสริมนะจริงอันนี้มันเคยสังหารดวกมันมากกว่มากแล้วรวมกับเราด้วยเนี่ยคนหนึ่งพ้นแต่ไหนว่ า, วาพูดถึงแต่ไหนว่า ไล่เขาป่าเดียเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแล้วทว่างถ้าเชื่อก็ไปได้เพราะนอกกับในป่าแล้วต้องมีเครื่องดับสันดานอีกอยง ก, กลัวนี่มันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมด ม, มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วนี่นดัดตันดัดตันมอกกัวแล้วไม่ว่าจะ เฉยๆธรรมดาในดูเสียงทีแล้วก็ประวัติที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมที่นี่เนี่ยมันพลิกอีกเข้าไปอีกพักอย่างนึงอีกนะไปสู่สถานที่กลัวมันพลิกไปอีกแง่หนึ่งกินพลิกเพื่อความเป็นธรรมนะเนี่ยมันได้เห็นด้วยท่านนะกล้าเป็นตัวกลัวจนตัวสั่งแลวลาแก้ได้กล้าเป็นตัวสั่งเนี่ย เห็นทุกท่าแล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อเห็นประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้มีหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงจะว่าไงกำหนดดูจนมาทั่งถึงว่าหมดทั้งโลกอันนี้ยมันกลัวอะไรใหม่โน่นนะดูว่ามันกล้าจริงจริงถึงขนาดนั้นแล้วเอาเอามาเทียบดูคิดดูว่าในโลกอันนี้มันกลัวอะไรมีไหมไม่มีเลยเอา้งทั้งเมื่อเสือเดินเข้ามานี่ไเลยเดินข้าหามันได้เลยโน่นน่ะทังสิเอางูมานี่ไปยัไงเดินเข้าไปได้เลย อันะไรก็ตามว่างั้นปุ๋ยง่ายได้ทั้งนั้นเว้ยไม่มีความว่าจะรู้กันแต่ความจรินนั้นเสือจะกินงูจะกัดกันมันก็เป็นอีแง่หนึ่งนะแต่เรื่องความกล้ากล้าวเนี่มันกล้าเพงั้นที่มันกินไม่มีกลัวเลยนั่นเวลาดับได้เห็นไหมขณะก่อนมันเป็นตัวสั่นมันกลัวขณะหลังนี่มันตัวสั่นมันกล้านั่นคือมันแก้กันอย่างนั้นนี่ให้เขาอยู่ในป่าขอเขาแต่ครั้งพิการก็มีเสือกินพระ ก็มีทั้ในปากเสือก็มีนะในตำรานี้นั่นคือ ท, ท, ท่ามีธรรมะอันสูงแล้วจวนแลวจวนนิมีตแล้วท่านไม่ได้กำหนดว่าเป็นจัตวเป็นเสืออะไรแหละข้าลงขนาดนั้นได้นะยิดขนาดนั้นมีนี่ให้มันเป็นในหัวใจจะของดียิดขนาดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีเสือมีเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสัตว์มีเสือที่ไหนนี่จะท่าเธอคะแต่ว่ากินกิจท่ากินท่าอะไรกันว่าไงเพราบ เรื่องนี้ปรัชนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นอย่างมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เปลี่ยนเลยจีวืงปรุงให้เป็นอะไรก็เป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของตัวแล้วพอไปเป็นท่ามันท่าไปดีจีวังเขาจะพูดถึงเรื่องมันว่างอยู่เหมือนกันมันว่างมันปรุงท้องตอดปรุงว่าเสือนี่เพราะแป๊บมาเป็นภาพเสือปั๊ดับปุ๊บเลยน่ะมันออกจากนี้ไปปรุงน่ะ มันปุ่มพับออกจากนี้แลดับอ uh, เสือที่ไหนมีอถ้าเสือมีจริงก็มีสิเปินอะไรไปท่า น, านอขอท่านอะไรท่านเราท่านอะไรมันแยกของมันเหมือนกันต้องกจะทันกันเลยสิเพราะมันเรื่องสติปัญญาเนอ๋อไม่ขึ้นอยู่กับใครเล้วนะขอให้นำมาใช้เวลาจําเป็นเป็นได้อย่างจริงนี่พลิไม่รู้กี่สันพันคมเลยนะไม่งั้นมจะทันกิเลสได้หรืเพราะกิเลสมันออกมา แบบนี้ออกมามันคี่ว่าอันเป็นแบบของกิเดสที่นว่าเสือมาอย่างนี้ที่นี่สติปัญญามันปั๊บขั้แล้วมันจะแยกเป็นธาก็ก็ธานแล้วแต่อยู่กับเราเราไม่เห็นกลัวก็กลัวมาอะไรนั่นก็่านนี่แเะอันหนึ่งมันว่างทซะหมดหยิบเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างจรปรุงภาพนันมันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เปลี่ยนจะว่างเป็นได้เชื่อแยกหนันเหมือนฝ้าแมพฟังสิภาพเป็นภาพของเสือแยกดับพุบที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโน่นนี่มันก็รู้ว่า อันธรรมชาตินี้ออกปรุงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพแป๊บดับปุ๊บนั่นมึงก็รู้อย่างนั้นเสืออยู่ังนว้นั่นเมื่อมันมันเป็นมันเป็นหนึ่งนั้นนี่น่ะเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยขั้นถึงปัญญาขั้นใดมันเป็นเป็นเป็นเป็นเนื้อเนือผลปรุงไปก็นั่งก็ไม่ได้ปรุงแป๊บมันไม่ออกเลยเหมือนกับดึงสายยางมันไม่ออกดึงทีแรกดึงนี่ได้ปั๊บปับเมื่อซ้ำเขาซ้ำเขาคือเราซ้อมฝึกซ้อม นี่เรื่องของสติปัญญาฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นข้าศึกมันเป็นการลบข้าศึกเป็นการฝึกซ้อมในอยู่ในตัวของตัวเองนะ้ำมวยเหมือนกับว่าเมื่อเมือม่อเคยต่อยเวทีมากต่อมาแล้วมันก็จัดเย็นในเวทีนะอันนี้มันก็จัดเย็นในการต่อสู้กิเลสมันก็เป็นอย่างเดียวกันเลยเหมือกนกับว่าเป็นการฝึกซ้อมภายในตัวในการลบนั่นแหละเป็นการฝึกซ้อมความจัดเย็นไปในตัวนี่เป็นอย่างนั้น พอถึงขั้นมันว่างมันว่างไปหมดมันมีอะไรือมันว่างในหัวใจถึงถึงตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างก็าตามนะมันก็ว่างรอบตัวไปหมดตอนที่หัวใจยังไม่ว่างมันนีมันมีมนมพอใจได้ว่างตัวเองแล้วี่ันี้หมดปัญหาละมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นความมาก เรามันเป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นนะต่ว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้เรียนจากใครเนี่อันเรื่องนี้มันเป็นที่มาในตัวของเพราะการฝึกกันในตัของมันมีแนวเหมือนกับว่าไฟมันได้เชื่อนี่เชื่อมันอยู่ที่ไหนมันลุกรามของมันไปเรื่อยๆจะมีครูมีอาจารย์สอนมันหรือไม่สอนมันก็ตามสิเชื่ออยู่ตรงไหนไฟมันจะลุกไปรามไปรามไปตามเชื่อนี่อันนี้ก็เป็นการเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนที่มันจะฆ่าที่เลสมันพูดง่าย อกิเลสมันเป็นเหมือนกับเชื้อมันก็ลุกกระล่าน่อนไปอย่างนั้นไปจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรจะไหม้นึ่งเนี่รรยก็ติปัญญาในหลักธรรมชาติมันเป็นนะไม่ถามใครมันก็รู้เองเลยโอ้ยอาตจันทร์เลยนะเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะรู้จะเห็นจะเป็นเป็นอยอย่างไม่คาดคนะิดอาตจันทร์พระวุฒิเจ้ามาก ใ น, นเราตัวเท่าหนูนี่มันยังเป็นเพรว่าอะไรถึงพระพุทธเจ้าวะนั่นไม่เรียนจากใครเป็นในแบบธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ที่ฝึกที่หาบ ท, ที่เรียนอยู่ในแับธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปแง่ไหนแง่ไหนมันนัองมีอะไรของมันที่จะใา้ไปมาแง่นั้นอันนี้นนนนนนนนรับกันนี่นี้นั้นมาแง่นั้นอันนี้รับกันแง่นี้เนี่ยมันขึ้นรับขึ้นรับขึบขบ้นรับกันเลย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 ทางนี้มันตลบบางอยู่ตลอเวลาไหนีจะจะหันหน้าคุยกับใครได้มันยัดง่ายถูกคอดล่อยออกคิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหนนู่นเมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้ว่าคิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนแต่กว่าเราไม่รู้นี่อืมันก็เหมือนก็ควายตัวหนึ่งอะไรจูงจมูกไปไหนก็ไปพวกเราเหมือนควายตัวหนึ่งเพะมันไม่รู้ คนฉลาดก่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายคนจูงจมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกับมันจูงอะไรมันกับไปนี่ก็เหมือนกันที่เด็กจูมเราเราก็เหมือนควายเราไม่รู้ว่าที่เด็ดมันจะลาดนี่ที่มันทุดเล่นนะผมโอ้มันจูงอะไรก็ไปเรายังเพลินไปกับมันเรื่อยๆขัดยากไปเรื่อยๆจุกขัดยากไปเรื่อยๆเพลินไปกับมันเรือยโอ้ก็จูงไปฆ่ายังไม่รู้หี่ กี่เดือนมันจุ่มไปเข้าจะ่ดุมบอลเข้านึ่มบ่อน้ําร้อนเข้าในกระทะใหญ่มันไม่รู้มันกัดญ้าเรื่อยไปคือเพลินไปเรื่อยไปหนึ่งเที่ยวกมันก็ว่ากัดย่าเรื่อยไปน่นเลามพัดกันเข้ามันทันนี่มันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วจากเร็วนี้แลมันก็เหนื้อเอาเนี่ยมันไม่เร็วทันเร็วทัน ตามทันนลงไปต่อไปทันก็เข้าถึงตัวดิเข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายมันแยับออมาไม่ได้นั่นทีนี้มันก็เห็นแล้วที่มันเป็นยังไงขนาดไหนที่เหลวมันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึมอยู่ตรงไหนตรงไหนนโถทีหินและทายสู้มันได้มา่อไหร่วะม่เอียดมันกว่านั่นกับอีกทนี้มันก็ไม่พ้น ปัญญาที่ละเอียดกว่านั้นจะทราบปะเ อ, อ๊มันก็ทราบได้ทราบได้ฆ่าได้พร้อมกันมันเพียงทราบเฉยถ้าลงปัญญาขั้นนั้นแล้วทราบแล้วพังพร้อมพร้อมเหมือนกับเผาพร้อมเผาพร้อมอือยิ่งห น, นื่อยเจ็ดแขนเลยเราทุกข์ที่สุดเลยนาการประกอบความเปลี่ยนชีวิตในชีวิตของพระนี้ใหม่การต่อสู้ที่เดรการฆ่าที่เดร นักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นจริยธรรมนะมันลืมไม่ได้ถ้าว่าผู้แบบโ ก, กรุ่นโลกจรงว่านะ่ะมันเกทียงแค้นเป็นคู่กรรมคู่เองกันเลยเจอกันไม่ได้ว่างั้นเลยเจอก็นเป็นเอาเลยไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไรถ้าเป็นเขี่เที่ยงแบบรุ่โลกนะมันคู่เดือดคู่แค้นกันจริงๆถึงใจนะ่ะเพราะในทุกกรรมมันนิดหน่ย มันทีมันก็จะตายอยิางนจะสลบสไลด์แต่มันก็ไม่ถึงขั้นสลบแหละมันหนักมันนักทุกมากก็รู้อยู่ผลอันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากความทุกมากอยู่นั่นน่ะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้นะ่ะผลคือฝ่ายทำต้ังเกิดขึ้นมาจากความทุกมากทุกมากไม่ใช่ว่าจะทนทุกมากเฉ ย, ยๆมีทิ่กีเด็ยบแต่เดียวเดียวงั้นไม่ใช่มันทุกมากก็ทุกมากแต่ผลที่เกิดขึ้นจาก ความทุกข์มากมันก็มีคือด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอพัดพอเบี่ยมันไปแล้วมันก็อดมันมันมันก็ลืมมาได้อยู่นั่นแหละเรื่องความทุกข์อันนี้เช่นเดียวกับแล้วลืมไม่ได้เหมือนกันกับผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกข์มากนั่นนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเราตัดขาดสะบ้านหมดในเรื่องที่จะเป็นไปมาหนักเบามากน้อยอย่างไรภาระทั้งแดนโลกธาตุเรามาแบกไปตลอดเี่ยทําำสิ คือแดนรกชาติสามแดนรสาติอนั้นเกิดได้ทั้งนั้นจิตจึงเป็นเหมือนกันแบว่าแบ่ทั้งสามแดนโลกชาติมานานเท่าไหร่แลนนี้สลัดเป่งออกเลยดีถึงออกจากนั้นเลยนั่นทําไมมันจะไม่เบาฟาง่สามแดนลกชาติมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบ่มันแลน้วยังจะทนแ บ, บ่อยู่ด้วยความขี้เกียจที่ข้านความไม่เอาไหนอยู่หรือก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิดสอนเจ้าขอ ง, ข อ, งขอุบายต่างๆดีตัว สลัดออกออกจากภาระอันหนักในสามแดนกลกชา้ินี้ผึงออกนั่นเป็นยังไงที่นี่นั่นแหละพูดทยากท่านออกท่านอกอย่างนั้นภาษวกข่านออกหนออกนั่นเพราะ ว, ว่ามีจุดหมายปทางมีแต่ว่ามีหลักก็เกินหลักมีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปเสีทุกอย่างว่างั้นเป็นกับตายอะไรอยู่ยังไงมันก็มีอยู่เป็นประจำเงั้นธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมด ก็พูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าฉันจะเพิ่งอะไรมันก็ไม่ห็ก็มันพอแล้วเพิ่งอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้ น, ป, นประจักษ์อย่างนั้นมันแต่ว่าเมืองพอวมงพอไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่าคำว่าพออ่ะลงกรุงนั้นบอกว่าเรามีจริงแล้วพอพอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริญยิ่งกว่าคาว่าพอสุดท้ายก็คือคําว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงเลยเพราะอัน อันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะไปเอาอะไรว่าอันใดอันไหนดีจะจับ น, นั้นมาวางอันนี้อยู่ ไ, ไปเลือกอ น, นั้นเลือกอันนี้อยู่ก็แสดงว่าสงสัยสิอันนี้ดีหรือไม่ดีนึ่งจับจะเอาค่าดีก็จะเอาเนี่ยถ้าไม่ดีก็จะทิ้งหนึ่งเนี่ยดีไม่ดีมันมันก็พอแล้วจะวางเลยไม่มีอะไรดีกว่าคำว่าพอเนี่ยแล้วมันจะไปแตะอะไรคำว่าพอนี่เลิกยิ่งกว่าอะไรแล้วเข้ามาเลย ใช่ความคิดอ่านมาเพียงแต่จะให้สงบด้วยจิตจิตพอมีความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทางภายนอกนะักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะเราจะปล่อยให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นปึงเลยจึงออกทางบ้านปัญญาอสงบขั้นไหนควรที่จะก้าวทางปัญญาได้ก็ให้ก้าวให้ออกตามขั้นของตนเออคือคำว่าสงบมันความว่าสงบ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 เป็นีิเลสไปหมดนั่นมันจะเอาเป็นสัญญามาจากไหนที่จิตสงบมันจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์หลายที่มันเคยเป็นมามนสงบสงบมากน้อยเป็นไรนั่นปัญญาจะพอก้าได้พอปัญญาก้าได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นเด่นขึ้นนั่นก็กลับมาสริมจะมาที่นี่ได้อีกนไงปัญญาก็ฉลาดนั่นที่ว่าคำว่าปัญญาสมาธิปุถภิตาปัญญามหบาบภราห์โหติมหาในสร้างส้างแต่แปลเป็นนั่งก็เลยก็ เมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องเนี่ยแปลอานี้เลยถ้าปฏิบัติเรานะแต่ผภาปฏิญัต์ไปแปลอีกนะกลัวผิดศัพท์ผิดแสงผิดท่าทิพตตัดใจนี่เถ้าอย่างผมจ้าไม่ได้เดือนเป็นมาหาก็ก็ดูถูกขมการแปลแปลได้แปลอย่างนั้นทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวกิเลสสิแปลโดนหัวกิเลสเราจะฆ่ากิเลส น, นี้นะอืเราไม่ได้ฆ่าศัพท์ฆ่าแสงฆ่าท่าทิบัตปัจจัยนี้นะเราจะฆ่ากิเลสแอบเพิ่งก็ยังอย่างว่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันชัดเจนไหม อเมื่อมีสมาธิหมุนแล้วปัญญาเดินคล่องนั่นถ้าถ้าเป็นถ้าแปลตามนั่นเราปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอะไรสูงมากนั่นท่านว่า ง, างั้นอในปริญัติเราก็มาปฏิเสธว่าไม่ถูกแต่อะไรนันที่จะถนัดได้ฆ่ากิดเลสนั้นเอานั่นน่ะเป็นธรรมนั่นขอให้ฆ่ากิดเลได้เป็นธรรมพรเจ้าสอนให้ฆ่ากิดเลนีน่อุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิดเลได้เอานั่นอุบายนั่นเป็นธรรมนั่นเอาตรงนั้นี่ กิเล่มันมาใ น, นาตำราต่างๆทุกอันเดี๋ยวมันมาเหยียบหัวเราอยู่ทุกวันนี้มีในตำราทุกอันหรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นกิเลสแล้วอันนี้เมื่อมันเป็นธรรมแล้วไม่มีตาราก็เหยียบหัวกิเลสได้เหมือนกันนีทําไมจะไม่ได้บอางมันอย่างนั้นเช่แต่อันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนกิเลสหมอบออนั่นนี่นีน่ว่าแปลเพราะข้ากิเลสทีนี้ก็ปัญญาบริวารต่างจิตต่างสัมมาเดว่าอาเซหมุจจะติ จิตที่ปัญญาที่ปัญญาทำนั้นแล้วย่อมดพ้นจากกิเลสทประการทั้งปวงกิเลสโดยชอบนะนั่นแปลแป ล, แปลให้ได้โกงกับภาพปฏิวัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปัญญาก็อย่างที่ว่านะั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมดูพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นแปลทางด้านปัญญาท่านวางอันนั้นท่านวางเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่น ใครจะแย่งนี้ยเป็นไงก็ตามไม่ห น, หนีจากหลังใหญ่ของก็พอคือหลักข้ากิเลสมันปัญญาคือข้ากิเลสฟาลงไปที่มันจะถึงหัวก่เลสก็เอาลงไปสิอเอาอย่างนั่นสีและปฏิภาณวิตตุสมาธิมหาพโลโหติมห้สร้างโซนเหมือนกันคนมีศีจะมีความอบอุ่นไม่ระแวงแทงใจเดือดร้อ น, อนพอให้เกิดสัญญาอารมณ์และทำสมาธิไม่ลงนั่นแปลนั้น แตก็พื่อปลามพระายากอย่างที่ว่าเน่ะสมาธิอันาศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากแปลอย่าแนั้อันนี้เราก็ไม่ค้านเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่ว่าสิ่งที่จะหาให้มันประจักษ์เจ้าของเป็นสมบัติเจ้าของบ้างเอาซิห า, หาไม่ได้สิสนี่เรียกว่าเป็นผู้แสงสอดเสีงสสสสสสหาธรรมนี่นะอย่างพระแม่โขจันทร์แปลที่ที่เรา แปลนี้กับพระแม่อจุจาร์แปลนี้ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราแ ต, แต่เราไม่ได้อาจเอื่มนะว่าเราประยกตนเสมอท่านนะนี่เป็นลักษณะที่คือท่านแปลท่านแปลผึงเลยไม่ผึงไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำท่านเคย่าดคิดเดมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั่นออกออกออกอแล้ท่านแปลนี่โอ้ผึ่งเลยทั้งที่เราเป็นมหานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลอืม อ๋อนี่ท่านแปลกงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับอย่างนั้นเลยนะไม่ใใจผึงเลยนะนี่เป็งนั่นนะทั้งแต่ที่เราก็เป็นมหาแปลยังไงเราก็รู้อยู่เราเป็นมหาแต่แปลงเราเป็นมหาไม่ได้ความจําไม่ได้ความจริงเหมือนท่านท่านแปลงงั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดตวงนั้นนะถึงว่าโอ้กงตัวเลยนะนั่ะมันยอมรับไปลงนั่นมันไม่เคยค้านท่านนะท่านแปลแบบนี้ผึงเลยเข้าถึงตัวี่เลสเลยหงายเลยหงายเลย แะรวดเลยก็ได้นะไม่รวดเดียวไงสติปัญญาท่องตัวมาพอแล้วถึงออกมาอะไรจะมาคัดข้านต้านทานยีดขวางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขั้นนั่นได้ออกตัวนี่ท่านผ่านม า, า, ลาแล้วก็หลับจะไม่ไห้ท่านข้องไะนั่นแหละผู้ปฏิบัติท่านแป่คนพวกพวกเราพวกมีพวกหนอนแทะกระดาษ เราจะไปยกโทษท่านไหมยกได้อยู่โนแปนรอยแปลนี้ท่านแปลว่าอย่างไนท่านตา ม, มาาเวลาพรรณาเนี่ยกูจะว่างั่านนะทำไมแปลงี้เกิดจะหาที่นีไปหาว่าท่านแปลไม่ถูกปลาประปาเตือนๆไปนะไม่รู้ว่าท่านเอาความจริงเขาเราไม่เคยไปที่บาัานเราก็ไม่รู้ว่าที่ความจริงเป็นความปลอมเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นไงเราไม่รู้ท่านค น, นไปะไกรบิดูเล่นเ ม, ม, มื่อไหร่พ่อแม่กูจะมันโถท่านเล่าให้ฟัง ค้นประากายโดไม่รู้กี่ครั้งกัานว่านู่นนักฟังซินะท่านจะมาจะมาได้ได้มาอยจะไหนค้นประกายวิโดท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านปรงก็คนซะามันว่างๆท่านว่าถ้ะกายวิโดมีครบท่านว่ามันคนมนอยู่นว่าแล้วอยู่ไหนนะท่านค้นประกายวิโดทานเล่าให้ฟังเรานี่เรียนสู้ท่านได้มาอะไรนั่นหลักวิชาที่เดียนมาเป็นชั้นเป็นท่านนั่นสู้พเพจะไปค้นถึงกระหนานนั้นได้ไหม พูดถึงเรื่องเรื่องราวที่นํามาพูดอะไรๆเรื่องธาตพิพัฒน์ปัจจัยอะไรอันนี้ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะมายกท่าตุพิพัฒน์ปจัจวัยวาโกาขยาดตัดทิศที่นี่นี่ขีเหลวมันหัวเราะตลอดว่างเลยเวลาจะฆ่าขี้เหลวจริ ง, รงอันนี้ไม่มายุ่งเลยนี่ฟันเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนละอย่างหนึ่งหานีลยแล้วนีงนะจะมาเป็นน้อนแทะกระดาษอยู่นี่ในธาตุพิพัฒน์ปัจจัยนี้ขี่เด็ดหัวเราะเนี่ยเพราะมันอยู่นู่นเรามาเกาที่นี่ มันมาอยู่นู้นเราไปตดินตุ๊บตุ๊บอยู่นี่เหเลสมันอยู่นบ่นของหัวเราสท่านใส่ถึงเลยก่เลสอยู่นั่นน่ะนัำตางกันอย่างนอย่างนีอยูอย่าย า, ยาสาวกโกสาวกโกเนี่ยนะสาวกสาวกไปเคู่ฟังอันนี้ถ้าใพวกมหาปัญญานั่นนะมันเป็นธาตุอะไรขึ้นอะไรฮะเาตั้งเขาว่ามาอันนั้น อันเปนเนหฟังบฟังนี้มันเป็นธาอะไรอยู่มันเป็นบายเ้นี่มันจะว่านะนะผมคนเต้ไหฟังมันบฟังคเต้หขายก่เลฟังเพื่อขายทันม่ได้ฟังเอาต้ที่ตาตใจมันต้ยังตังยังตังยังฟั้งผมว่ามันแล้วน้ำมันมอเราสีขายกิเดสทั้งนายนี่เลม่ไหาคนทาปาใจหรือว่ามันจตีหัวเราไม่เห็นบบหาคนตาปาใจมันฟัหรือลงผิดลงเดนเลยมีแต่พวกกลงติดหลงเดนของเรา คือผพ่วงมันปรต้องยกใจที่ไปประใจมากมันเอากรนแล้วเอากรนอย่านั้นแลีวยจะไปตีทีเดียวนี้มีมหาคนท่าจว่าตั้งใจลองหัววงเล่าหวห่งนั้นนอนแทะกระดาอย่่มันต้องมาปุยล้วปุ๋ยล้ไปล่างเป่าก่อนั่นกาลังมีนีรางเป่าไปลางเป่าไม่เรียนใ้เฉยไม่สนใจแค่กิเลสแต่ทั้งทั้งสิ่งมีวิปนิสัยสามารถที่เป็นประหันผู้เรียกที่ท่้นแก้ปัญหาเขาไป ปูที่รปู่รบาลนเต่าปูที่รัดเทยจึนางปูทเยจงยืนตัวรัเทยจงไปปูที่รัเธอจึมาบาลานเต่าบาลานเ่าบาลนเต่าที่พแม่ครูอาจารย์แปลท่านไมแปลงันนี่นี่ก็เหมือนกันตีหัวกิเลสไงบาลานเต่าหัวล้านเต่าหัวลนเต่าปวดบวดเต่ากินเป่านอนเป่าตายเต่านั่นท่านแปลเห็นไหมมีแต่ตังแต่ฟาดถึงหัวกิเลสมพระพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนอนเป่านี่หัวล้านเป่าไม่ได้สนประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันครอบหัวครอบหัวไว้น กินปเป่าตายปเปล่าเนี่ยไม่้เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของี่เด็กครอบหัวออกครอบหัวท่านตีเข้าไปตรงนั้น ท, น ท, นงงนาท่านท่านแตลท่านแปลนั้นนะหาที่ค้านท่านไดไผมนี่ค้า น, มานไม่ได้ยิงอ่ะพาแม่ยยาแปลมันขถึงใจเราของเลยท่านเอาว่าท่านเอาโพชิรัมาแปลนีทานโพชิรักกสรมีเราก็ยี้ยานบพชิรัาแลเปล่าแปลว่าเปล่าเปล่าท่านเลแปลเป็นันที่ หวลาเปล่าหัวล้นเปล่าหัวล้านปล่ า, า, ลา <c oughs> โอ้ยแฝงโอ้ยย่ำลงไจะเป็นลามอย่าน้นป่าอนั้นเปลี้าก็อย่านั้นเปลียจางถึงใจถึงใจที่เด็ดพังลงพังลงอย่างนั้นมันถูกเขาจะฆ่าที่เด็ดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะรักษาสาบแสงไว้ตำรับตำราไว้ก่เป็นไปตามแบบอันนี้นี่เราก็ไม่ค้านนี่ไม่ค้านแต่เวลาที่จะ ลบก็ให้มันเป็นเวลาลบสีอย่าให้เป็นเวลานอนแคะกระดาษตลอเวลาสีนี่ที่ทาเกี่ยวเนื่องสีสมาธิปัญญาเนีพูดถึงว่าพอปัญญาที่จะควรกล้าได้ยังไงให้ออกพิจารณาหาอุบายคิดอ่านแต่ตองเรื่องทักเรื่องขันข้างนอกข้างในเอามาเทียบมาเทียงกันอืมลหลายตลกทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะ อยางนุ้นอย่างนี่สอด น, น, นู้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปมันก็จะค่อยมีขแขนงค่อยแต่สิแต่ก้านขึ้นมานี่นี่ก็ค่อยก้าไปได้ถ้าพอปัญญาได้ก้าออกแล้วลราที่นี่มีหวังมีหวังแหละจะมีนะจากนั้นกันแน่นแน่แน่เข้าไปเลยนั่นนี่เราก็แต่รันแต้ไป ท, ทุกวันทุกวันว่างเลเพื่อนฝูงก็มีจตตัดน้ำกั้นทางตัวเองต จะไม่เปิดทางให้เดินได้ทําไงาทำอะไรทำเมื่อกิ้นั้นในวันนี้ผมพยายามม่ให้มีงานเลยเพื่อจะเสริมทระ น, นจิตภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสาคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะอะจริงต้องพยายามหยุดพยายามกันนะให้อะไรมายุ่งแม้แต่แข่คนยอดเยี่ใครจะมายุ่งกับพระในวันนี้ไม่ให้ยุ่งว่าไงนู่นนะผมรักษาขนาดนั้นอจำเป็นก็มาเกี่ยวผม เพ่อนักษาโม่เพื่อนเพื่อสบาด้วยความปกอบความเพียนเป็นของต้องคำมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันฟัดเหลี่ยมนี้ก็อดเวลามันจะทนได้หรือเีล่เมื่อเราตีเราต่อยตลอดมันก็ต้องบอดต้องช้ำดิมันควรเจ็บมันก็ต้องเจ็บมันควรตายมันก็ตายได้ะมันไม่ตายไม่อลยการอดอาหารเนี่ยมันเพียรแต่สติมันดี พี่ยนาใกล้ควรนั้นผมเห็นคุณค่าเพราะงั้นผมยิ่งอดทน